หลังจากท่านสอนว่าให้สวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์ทำวัดเย็นข้าพเจ้าก็ทำทุกวันแรกใช้เวลาครั้งละราวสิบนาทีแต่พอคล่องก็ใช้เวลาประมาณเจนาทีสักระยะหนึ่งก็เกิดความอศัศจรรย์จากที่แตกร่อนขนาดกลางหนังสือสวดจนหนังสือสึกกร่อนก็ยังจำบทสวดไม่ได้สักทีแต่แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งข้าพเจ้ากำลังตอกอิฐสีแดงจะใส่ต้นแคสตัสทำไปก็สวดภาวนาในใจไปด้วย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 ข้าพเจ้าเชื่อที่ท่านสอนจึงอุตสาหะทำไปมันก็เห็นผล